บริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมศาสตร์ทรัพยศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และ ประจำ 2555 เปิดรับ 31 สิงหาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 3613-6 36 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมเชี่ยว พบกับ 4 ช่วงของรายการท่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวในรายการนิตยสารฟังสบายทุก สวัสดี ต้อนรับเข้าสู่ราย 19 นิตยสาร 30 นาทีนะคะนะคะราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะค่ะวันนี้ก็ 28 กรกฎาคม 2554 นะคะค่ะ ฟังๆแล้วค่ะค่ะสําหรับ กะเริ่ม CSR ระดับชาติค่ะสนับสนุนเด็กไทยค้น Thailand Go Green ระดมโรงเรียนทั่วประเทศระระ UN ค่ะ ค่ะส่วนช่วงของสาระฟังสบายวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับ 10 สารค่ะค่ะและเล 2 เล่มค่ะที่จะแนะนํา ดร. อนุสรณ์แสงนิลนวลนะคะกรรมการผู้จัด Thailand Go Green นะคะ 5 ภายใต้ CSR ระดับประเทศ เป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในอนาคตเนื่องๆมีค่ะค่ะเปเปเปเป 4 ปี พลังงาน 2.5 ล้าน 2,000 แห่งดังนั้นในปีนี้นะคะมูลค่า กว่า 2 ล้านโรงเรียนใดสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะค่ะ 19 สิงหาคมส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคมค่ะและสามารถดาวน์โหลดใบค่ะหรือจะสอบค่ะ กลับไปต่อ United Nations Public Service Awards 2011 นะคะ 7 คว้ารางวัลชนะเลิศสาขาการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ภาค 8 หน่วยงานจากทั่วโลกและก็เป็นที่ได้รับรางวัลนี้หน 7 ที่ทํา ภายใต้ 8 จังหวัดนะคะ ภาคสุโขทัยนครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยทิดและกำแพงเพชรค่ะรวมทั้งสิ้น 77 อำเภอด้วยการยกระดับ ของโครงการ ค่ะทั้งหมดก็เป็นข่าวจากกรมสรรพากรๆและอีก CSR เพื่อให้นักเรียน ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามาพักเพเพเพเพ 2 เพลงนะ<ร> ถึงใจอยู่ที่ไหน Ha hom hu tell me dai song kut jai pi khong mai su ใครสักคนมองมาเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนชินบางทีก็ยังแพ้แพ้ทุกทีที่เธอ เลอะแต่สุขใจที่เราได้ ใจไม่ต้องรักไม่ you prove rut chat ma knan nai ใครเข้าใจไหม caught in my tomorrow me don't อย่าทำอย่างนี้ drop cold แต่มันก็ไม่จริง สาระฟังสบายคุณผู้ฟังคะใน ทั้ง 30 ปีเราจะไม่ค่อยได้พบกับเรื่องของโรคหัวใจไปนะคะเราจะไม่ค่อยได้มา 30 ปีโรคนี้กลับเพิ่มขึ้นอย่าง ค่ะซึ่ง ดร. หลุยอินาโลเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยานะคะก็ได้ๆของนักวิชาการฝั่งอเมริกาถึงสารอาหาร 10 ชนิดค่ะที่ อัลฟาไลโปอิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ค่ะต่อมานะคะกรดอะมิโนค่ะว่าอะมิโนแอซิดกว่า 20 ชนิดนะคะทั้งเช่นถั่วลี้สงอัลมอนด์หรือจากปลาทะเลก็เป็น 3 คือแอนตี้ออกซิเดนท์ค่ะเป็นสาร อ้วนมากเท่าดังนั้นการมีชีวิตยืนยาวได้นะคะก็วิธีการก็ง่ายมากค่ะเสี่ยงต่อ ต่อไปนะคะโครเมียมฟิโคลิเนตนะและคาร์โบไฮเดรตของร่างกายค่ะโดยจะไปลดความอยากอาหาร มือค่ะประเภทที่ 5 โคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับหัว 1 ครั้งต่อ 1 วินาทีค่ะค่ะและมันจากการทานอาหารได้โดยตรงงานไม่แล 6 แล้วนะ 3 ค่ะ หากนึกถึงโอเมก้าหลายคนก็จะนึกถึงปลาทะเลได 3 ได้เรื่อยค่ะยิ่งทาน ค่ะ 7 กลูโคซามีนมีงานวิจัยเพราะว่ากลูโคซามีนเป็นสารสําคัญในเรื่องของสุขภาพข้อต่อกลูโคซามีนว่ามีประโยชน์จริงซึ่งข้อ ค่ะ 8 แล้วชาเขียวค่ะเพื่อที่มีชาอยู่ในตัวเองมากค่ะค่ะพืชหรือใบสดก็ได้นะคะ ประเภทที่ 9 ทับทิมค่ะมีผลงานวิจัยรับรองว่าทับทิมเป็นผลไม้ที่ดี 4-5 ครั้งก็ มันถึงสุด 99% ค่ะวิตามินดีอย่างมากค่ะวง ทัวร์ต่างๆและผักใบๆในตอนๆ ผ่านไปนะคะ 2 ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายๆมีๆที่ 2 เรื่องนะคะเล่มแรกกําแพงความรักและอีกเล่ม ของคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความรักๆตั้งแต่ความรัก ค่ะอีกเล่มนึงนะคะขจัดปัญหาในออฟฟิศด้วยธรรมะผล ค่ะคุณฟังค่ะปิดท้ายวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ราชมงคลศรีวิชัยมาฝากกันค่ะค่ะมทรราชมงคลวิทยาเขตตรัง สาธารณณะขนาดเล็กที่อยู่ในความดูแลสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นๆนะคะ บ้านได้ดําเนินการขอใบอนุญาตเปิดสวนสาธารณะได้ถูกต้องนะคะจากหน่วย 2 ส่วนด้วยกันค่ะคือที่จะเข้า 6 ค่ะ ชมพูติด Colors of life. เป็นไรเธอในโลกนี้ คุณฟังเข้าเวลาในรายการนิติสารฝั่งสบายหมดกับเรื่องราวสาระวิบุญสินค่ะขอบคุณ พบกับ 4 ช่วงของรายการข่าวฟังสบายในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี วันนี้เสนอตอนหนูกรุงกับหนูชนบทหนูชนบทเชิญชวนหนูกรุงเพื่อน เจ้าก็จะต้องแปลกใจพวกมันพบอาหารชั้นดีมากมายเจ้าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ มันก็แค่เสียงของหมาบ้านเนี้ยหนูกรุงบอกแค่เอ็งเหรอลา ยังถามกลางอันตรายเช่นนี้กว่าเจลลี่กับเค้กท่าม